ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณที่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรตุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใด สุนค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไหลต้องการจะนิดไหนได้าหาเลือกได้ในห้างร้าน ใ, นใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้อง นี้เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของถ่งเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อกุญงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกัน ท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพิกถาพระองค์ทรงแตะทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดกลาที่เล ข, ของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นพื้นธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงิมุรหลุดพ้นหนักก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้ า, คาราคาต่าจนกระทั่งถึงราคาสูงสุด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 ท่านแสดงไว้มีห้าประการที่นับพอประมาณทานสีสวรรค์อาธิตย์เมฆคัมมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อควา ม, มสงสัยประกันึ่งให้ทานด้วยการบูชาบูญชาคุณประกันให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประกันหลายประเภทคำว่าให้ทานแล้วผลก็มียิ่งย Orn ต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความนมสงสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทาน ถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านคือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความนุ่มเคารพร่วมใสมีอานิสงส์มากให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านที่มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำแบบลำาดา、เช่นเดียวกันทานลิสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะ ช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมตรงไปก็เรียกว่าบุญเนื้อตั้งแต่บุญพื้นพื้นนี้เป็นลําดับลําดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับ ถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีสีเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สุดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลําดับทีละท่านแปลว่าปกติยึบแปลว่าหง ความประพฤติตนด้วยความแน่นหนา ม, มั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งโยโยวนทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าเห็นคือความมั่นคงท่านนี้เรียกว่าสีน์สีนก็ออกจากจัว่าสีละคือสีนี้นั่นเองนะคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไป อันใดที่จะตัดรอนหรือล ด, ดคุณค่าของเราลงเช่นต ป, ประยางเช่นค่าสัตว์คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปและแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบอ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความยิบหายล่มจมแก่ตัวผู้ทา ไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทํานั้นได้รับความโน้มนมทิศหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทําเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาสิ่งศักดิ์เป็นการรักษาคุณค่าของตนไว้ท่านสิงไม่ให้ทำํำมีอธิบายเพียง ย, ยอด ย, ยอดยอๆแต่และประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาะ ศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี่พูดออกไปมีด้วยความสัตว์ความจริงใจที่บงการเพื่อาการพูดการกระทํานั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุดจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจริงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นนี่อนุพิศฐาท่านแสดงไวมีศีลสําหรับควราวาต์ทานสอนถึงศรรีลห้า คือปานาอตาินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบสืบสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักต้นไปขี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไหร่ก็เป็นความปรีตยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่าย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 มห็นบุเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความรู้สึกใจผิดกับการไปฉกไปลักไปต้นไปฉดมเอาเป็นไหนๆท่านจริงห้ามกาเมชมิฉาจาร์ก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาสีนักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเองสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่ง ฝากเป็นฝากตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่านี้เป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศิ้นข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอน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 หนึ่งศีลข้อที่สามศีนถ้าพว่าศีลสำหรับฆราวาสท่านแสดงอนุโมทิคถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนฆราวาสญาติโยมรักษาศีลมุสาสเหมอกันสุราคือความโกหกมุษาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อย โอหกต้มถึงหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเี่หายมากมายท่านให้ทาสุราก็เหมือนกันดินน้ำเมาตังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดืด่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับแต่ปกติท่านปกติ จนกลายเป็นละเมอเพอ้อฝันเป็นบ้าไปเลยนเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทํำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสุดๆร้นๆได้ะท่านจึงห้ามไม่ให้ทำเนี่ะที่ว่าทานท่านแสดงอนุพิถ า, าแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลําดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลําดับ ตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจงกระทั่งถึงสูงสุดที่มุกพระนิพพานอันนี้ว่าอนุปุพพิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านกับพรนนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยผู้มีศีลมีทานแล้วต้องไล่ไปแน่แน่สวรรค์ก็มีหลายชั้น ตั้งแต่การุึขึ้นไปเราดึงญามาดิสิกนินมานาดีอรนินมิตระอมนมิตรวาสาวดีจงกระทั่งสิภพรมที่หกชั้น <c oughs> นี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญเมื่องลางสมอบรมเอาไว้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 ไปสวรรค์ได้จากนั้นก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะอีกขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาธินบคือโทษแห่งความรักความชังความไายความสนใจในวัตตะบุญไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นท่านแสดง ไปโดยลําดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่หนึ่งไปถึง 80,000 ปีนับทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็บปัญญาติกันที่ตรงนั้นขึ้นสุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อน เปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันนะ่ะท่านที่สอนวนะ่ะไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังนาตาเหยียบย่ําทําลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จับว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านทีน่แสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธ ความหมุนเยียนของวัตวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตต า, าเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพลัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับบนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านแสดงถึงว่าเนคข ม, มะ หรือบำเพ็ญตนเพื่อฉลาดปับทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งโท้นคือพระนิพพานโดยข่าเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องปบกเยนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะอนุพิกถามีห้าประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทิโนภิกษุธรรมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวช ก็ได้หลือออกด้วยทางจิตใจเนธครรมะคือพยายามภาว น, นาสลับสิ่งที่เป็นข้าศิตต่อใจของตนออกไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยซิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยถึงพระนิพพานนั่นแหละถ้าว่าเนธครรมะจนกระทั่งถึงที่สุดที่มุดหลุดพ้น มีถ้าหากเราจะเทียบในนันเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นหละไม่มีอะไรบุกร่องเลยศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัจฉรย์ไปโดยลำดำับลาดาจนถึง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 เป็นลำดับลำนาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันทากับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจาก การพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นประสาวของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเ ม, มา็ดมะมพรา้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ ให้เต็มไปด้วยน้ำดังเที่เวสิหนกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสังสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเพเล็กและน้อยก็เหมือนกันกันกนกบเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหากมากขึ้นเองมากขึ้นเอจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้น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 เยนหไหวตาเกิดในวัาตาสงสารก็เวียนหไหวแต่ด้วยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เยนไหวหก็คืออวิชชาเชื่อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอํานาจแห่งบุญเป็นเครื่องประครับประคอง ย, อย่อมย่างผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลย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 ความีมีน้อยบินมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดาเนี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตต์บาลมังสุขขังคือความสุขอันยอดยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราดทั้งหลายท่านจึ ง, จงให้สอนให้บำเพ็ญความดี พ่อใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสําหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอเรื่องกุลมายาของกิเลส น, นั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหาประมาณไม่ได้หากว่ามีธรรมะมาเป็นเครื่องที่แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วจัดโลกทั้งหลายก็จะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลย ก็ถูกกล่องจากวิฤตทั้งหลายหยุด <c oughs> ตลอดมามีเรายัางดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหวบูชาและไี่ถึงท่านผู้พิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงแล้วได้บําเพ็ญตนด้วย คุณงามความดีทั้งหลายไม่เล็กหลักนี่เป็นเชื้ออันสําคัญที่จะแทรกซึมเข้าสูจ่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภาในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละก็ะะเหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อบุกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงดี กิ่นใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นแล้วก็กแก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านบอกมีอุปนิสัยสามารถมีวุฒิสายเต็ม ท, ที่สมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่แต่นผู้มีสแก่ก้า ก็เพราะการสร้างมาหยุดไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหล ะ, ละกลายเป็นความแตกต้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้การอึงสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาเนื้ออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไ ป, ปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ทางทางความดีไม่ได้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 เพระเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ร้อยเปอร์เซ็นแม้มีพันเปอร์เซนก็ต้องเป็นพันเปอร์เซ็นใจดวงนี้ขอจนเชื่อของมันยังมีอยู่เถอะคาว่าเชื้อกอ็คืออวิชาปัิญาสร้างฆาลาสร้างฆาลาปัิญาวิญญงาหนหลังนี้เป็นต้นนี่เป็นสําคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลับปัดทิ้งออกได้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 พระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอาวิชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ่งเชิงเป็นกิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเพื่อนยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับ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 ในรับอุบายเนี่นำจากพระพุทธเจ้าซึ่งพอมี <c oughs> อุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติจนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาได้นี่แ่ะอวิชชาตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบูญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่ เกิดแน่ๆ น, น่ะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยอิบาร์ที่สูงๆต่ำๆนั้นเป็นไปด้วยอิบากมีชั่วอันเรื่องพายเกิดนั้นเป็นได้วยอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะ สูงอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถตลัดตักอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ดดดดไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางนีไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีนั่่างไงท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะยิตนี้ เรียบร้อยหักความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั้นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความพาศูนย์ใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านะถ้าผู้โงกเข่าเบาปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมทุกสารลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละโมก เข้ามาเผาลนตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเทียงหัทที่จะเรียบร้องหาคว า, ความดีความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตังแต่ความชั่วช้าละมกบีบบี้สีไฟทายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นๆนั่นจึนนนงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้ว และเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลาดับลำดาเรานุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาแใจคำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีก็ลาบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้คงแนวตามความจริงทั้งหลายได้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 เมื่อเป็นเช่นนี้เจียงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปรหลาดทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีมีจริงๆรบุญมีมีจริงจรนรกมีมีจริงเคยเผาสัตรทั้งหลายมาดีกับกีกันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะ นร ก, กนี่เคยเผาผลาญกัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่ขับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ไหนว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทํากรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่ า, ยางทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไงมีคนทําบาปไหมทุกวันนี้่เ อ, อเราพูดอย่างเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลามีคนทําลายศีลทําทําลายตัวเอง้อนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ยอาอธินา ตาไ ม, ม่าจะมีสายตามู้สายสุราเอาเพียงห้าข้อตัวนี้อ่ะนี่ยคือเครื่องสังหารตนเครื่องผากตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทําใหม่เราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกอะคนคนทําชั่วอ่ะถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทําชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนั่น อันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนทั่วนั้นมีมากขนาดไหนทําทั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทําไมเราจะปฏิเสธผลของการทําทั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลทัศหรือจัทั้งหลายให้ประจบนรกได้เล่าคนก็เคยทําทั่วมามากมาแต่กองขีดกับขีดกันแล้วนั่นลบก็เคยเผาคน ผู้ชั่วชา้าละมกมาตี่กับปีกันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทําชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทํากันและไปลบล้างเ อ, อนรกว่าไม่มีกันเป็นก็ได้เหรือพระพุทธเจ้าองค์เอกแพ้เป็นผู้สอนทำเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาปร ะ, ะจักษ์พระไถยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้การพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่า อุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยิบ ย, ย, ยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดูด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายใน ต, ตัวเองเอาให้ยังเด็ขดขาดเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นมันเผ็ดร้อนมากนะความกระชุ่งกระซาดอยู่ภายในแข่งกับทำของศาสนาแม้เราได้ศึก ษ, ษาเราเรียนมาก็าตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็าตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวขณะเดียวกันนั้น โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดแลอามากกว่าเราแล้มคมมากกว่าเราชั้นลาดมากกว่าเรา น, นเองทากันเข้าใจเสมอนี่ละเรื่องการเกิดตายของกิตเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไปไหนละไปตามภพภูมิที่เคยไปณโลกก็มีกี่มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนออืก็ในโลกเราก็ยังมีเล่าหูโทษคารุโทษอื มหันตทุกทุกธรรมดามหันตทุก ม, ม, มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการ ท, ทําท่วของคนเราก็เห็นทํามากทําน้อยทําหนักทาําเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาเนาะเพราะฉะนั้นนะคำว่านรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับจักรโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัดตะคนอันนี้เป็นอย่างนี้ถึงแต่สวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ ท่านนแรกจนมาชั้นถึงธมโลกที่หกชั้นที่มีสุทาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวธรรมสุทาวาสเป็นไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสียงท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าเป็น้หรอกนะอริหาตะปาคือสาธาคือสีสุะสีาสาสาอกษษาการนิสถาธมโลกห้าชั้นนี้ท่านท่านเรียกว่าสุทาวาสห้าชั้นก็เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์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 ถ้าอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกับก็เราสอบได้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้หกสิบเปอร์ซ็นเจ็ดสิเปอร์เซ็นขึ้นไปจนกระทั่งถึงเก้านสะิบเก้าเปอร์เซ็นตนะเ็พระอนาคามีเต็มที่เต็มเต็มภูมินะะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตคือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ห้าสิบเปอร์เซนตสอบได้ได้ระดับของขั้นอนณาธรรมเพียงได้ระดับเท่านั้นมี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจเจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้เมื่งตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นเออฐานที่ไปโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับต่างตั้งแต่ก่อนมานี่นก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปเนี่ยปฏิบัติชัด ขัดเรากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับๆเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคําาสุดทวารคือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างไรคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความตกระปกโส่ ม, มอีกต่อไปนะแต่เราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุโทโธโดยแท้ท่านจึงเรียกว่าสุดทว่ารท่าชั้นคืออวิห า, าสัปตาเพื่อสาวเพื่อสี เป็นที่อยู่ของพระพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระนาคามีที่แรก <_ S 2> จากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นเป็นจิตที่เป็นตัเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเวลาตายแล้วเป็นเป็นหลักธรรมชาติ <_ S 2> เช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เป็นที่แล้ว และแต่แต่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขังข้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของท่านนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี้ไปจนกระทั่งถึงพระอาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่งนั้นคือแก่ไปโดยลําดับลําดาอันนี้เราอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติ ถึง ข, ขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภในจิตคือหมุนแก้แก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเราตัวเองหมุนซักพอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดๆนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิงจงกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์จนเก้าถึงอรหัตสมารัก ถ้าถึงอรหัตธรรมก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอํานาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นและจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ในภาคปฏิบัติเห็นจะถัดเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าทุผพุยุ่นต่อหน้าต่อใจเนี่ยแม้พระพุทธเจ้ากระทำอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นจะชัดถึงหนักหัวใจคนเราอืม ถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วทีด่ดิโ ก, โกยังที่ท่านนอาราตนาให้พระ อ, องค์อยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกกจะทาโคตอีกล่ะ เ, เราสอนหมดแล้วนี่หนาะอะไรอะไรก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกน่นตั้งเสกมันลึกซึ้งมากที่สุดนี่เราพูดถึงเรื่องพรบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ําคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมาก ผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วอย่างนี้นะถึงถึงขั้นมหันตะทุกก็นรกเป็นขั้นมาั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนไม่ทั่งบบถงึงที่สุดแห่งความทุขทั้งหลาย ท, บบทานน่านก็บอกถึงพระนิพพานดูเริ่มดับลำดาบเรื่อยไปเนี่ยพอถึงขัน้นจิตขั้นนี้แล้วขั้นอนาคาลมีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดําเนินตนไปโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่ไหลุดจากขั้วยังไม่หามก็ตามเมื่อแก่จนเป็นที่แล้วควรแก่การจะหามต่อไปต้องหามเรื่อยเือยไปจนกระทั่งถึงขั้นสุกไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยเลยนี่ก็เหมือนกันอิดข่านนี้ตายไปในขั้นอนาคาีีน้จะต้องไปสุทวารอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขนนาขั้นอนาคามีขั้น ได้ได้เป็นภูมิของจิตทัานนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้ น, นอนาณาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาเนี่ยแล้วก็ค่อยเลื่อนตอนไปอาตปาทุลักษาทุลกีอนิกฐาพอเก้าจากอ น, นิถาก็ผ่านถึงพระนิพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเชนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยสงสงัยไปไหนปู่เจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงจริขอให้รู้สิจะค้านเจ้ า, า, าได้ยังไงหาที่ค้านไม่ได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านด้ความ ไม่หลับหูหลับตานะไม่ได้ลืมตาดูหักคานเป็นอย่างนั้นนี่เป็นนินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอโดนเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมากจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นเราต้องอายจงพละมัดระวังในเรื่องนี้แต่ทีนี้เรากล่าวถึงเรื่องอจิตเรียกร้องาัาความช่วยเหลือให้ต่อเวลาอย่าลืมธรรมะขอ้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตาม ทางแห่งพบแห่งชาติพบน้อยพบใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชาจะมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้แล้ยพยายามประคองตนไปด้วยความงามความดีหากว่าจะยังไม่บุดพ้นก็ต า, ามเราก็ยังมีเรื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญหาถากว่าเมื่อเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมาเนี่ยเอาจนกระทั่งถึงบุดพ้น ดังนั้นเมื่อหยุดพ้นแล้วนั่นแหละนั่นแหะอวิชชาปัิยาสังฆาอวิชชาเจตเววะที่นี่กลับคงขํามนะอวิชชาเจตเววะเสววิลายานิโรธาสร้างขารานิโรธลื่อยไปเลยเมื่อวิชาดับอันนั้นดับอันนั้น ด, ดับดับดับไปหมดเลยนิโรโถโหติดนัดก็เหมือนกันที่อาารย์จารยพูดแบบเจออัอะไรที่ว่าในจุดท้ายของอวิชา เรก็ลืมจ้ะอนี้นะอาจารยกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี้ก่เืมตั้งแต่เบื้องต้นอวิชาปยาสร้างข้าราเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทรโยโหติเป็นสมุทรไทยนะคือเรื่องของของกิเลสด้วนรูว่นท่านบอกองนั้นแล้วออกมาแล้วนะแล้วพอพอวิชชาดับลงไปในอวิชชาจตเววะเสถีิลาอิลากานิโรธาสร้างข้าลานโรโทเลื่อยไปเลยการสั้งถึงนีโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งทั้งมวลเอลเมตตะเกวาระตะุกขะขัณฑะ นิโรธโหตินั่นเป็นนิโรธทั้งหมดนั่นเมื่อถึงถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมกันเลยนี่เมื่อดับภายในจิตเห็นชัดๆภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาวิชาเป็นเราเราเป็นทําหรือทํามันเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออก ฟาดปันหันแหลกเราขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่ว่เมื่ออวิชาขาดไปแล้วมันติดต่อเอาอะไรจีบดวงนีิจินมีติดต่อกอ็อะไรมีตืดต่อก็อะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรหนึ่อนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่และบุ้ยเจ้าวาันรทิฏิโกทิฏฐิโกเห็ น, อ เ, เ, น เ, อเองรู้เองรู้เองเห็นเองมาด้วยลำดับลำดัจนกระทั่งถึงเวล า, าสุดท้ายตอนดังตีพระอนัญตลาพิปุองค์หนึ่งท่านไปเศร้าพระเจ้า เราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลําพังตนเองเดยเป็นอัตมุมาต้นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูณถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกัตตาุดีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งอ็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝนพอฝนตกแล้วก็น้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่าง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 เป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่มขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็าแล้วแต่แล้วดับไปดับไปก็ลงไปเป็นน้ําตามเดิมลงเป็นน้าตามเดิมนี่นันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมตามเดิมท่านก็เทียบเทียมกันเถียงท่านบนรร ล, นนบบ ล, ล, บลุธรรมในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปพุทิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมฉันจะโกประกาศต้างขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ํานั่นแหะเป็นธรรมเทชนาสอนท่านเทียบกับ ะระหว่างขันก็ขีดทุ้งท่านมื้อวิชาก็ขิดทั้งท่านท่านรู้กันในขนะนั้นก็สังหารวิชาแหลกไปในขณะนั้นนะท่านก็กลับพุทธิพอผลตกอีกแล้วท่านท่านไม่ทูลถามผู้เจ้าอีกต่อไปเลยเออนั่นเลยไห ม, ม น, นั่นน่ะทั้งๆ ท, ที่กําลังจะไปทูลถามผู้แท่ทำไมไม่ทูลถามก็เพราะสัรทิสิกูกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระองค์อยู่แล้วนั่นนเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์สัสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสารทิิกูก็คือองค์สัจจะองค์หนึ่งนั่นแหละ พอราบอย่างนั้นเองแล้วแล้วตั้งกับพอทราบแล้วท่างกกลับไปวิธีท่านเสียท่านมรรลุทําทใตถึงดากุฎีแต่ดากุฎีของพระเจ้าแล้วโดยอาศัยน้ําฝนนั่นแหละเป็นทธรรมธรรมเทวะนาเทียบเทียงกับทำภายในของท่านนี่เห็นมาทำให้ท่านรู้จิแต่ก่อนท่านตงใส่ท่านมาท่านหาสงใส่ท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละบอถึงทัานนี้แล้วรู้ทุกคน กำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังเสร็จกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ดื่มหนึ่งสดสนร้อนๆอยู่น้องผือนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอนห้าโมงย็นปัดกวาดเสร็จด้ยวยร้อยแล้วอาบน้าําอาบท่าแล้วท่านสงน้ําเสร็จแล้วขึ้นไปขึ้นไปกราบท่านพัฒนาธรรมะกันเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆท่านไปพูดพูดเวลาไปสัมผัส ถ, ถึงธรรมะขั้นนี้แหละ ท่านก็ถึงถังขึ้นเลยค่ะอธิบายเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงกันพอจุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่างไม่ได้ประมาทเนาะแต่แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามาท่านว่างพอถึงขั้นธรรมขั้นนี้แนละทูล ถ, ถามท่านอะไรสินะของอันเดียวกันท่านว่างอลาสในใครจะเป็นเอทํถาถ้าลงุงรู้ธรรมขั้นนี้แล้ว คำคันนี้ก็เป็นคาที่ท่านบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าละ่ะเนี่ยเคยเห็นอาหารเป็นบ้ามีไหมนั่นถ้าเราแล้วนะอืออาหารบ้ า, มมา น, นมาีไหมนั่นกันว่าคือท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่างบริสุทธิ์เป็นที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับนั่งที่เคยพูดเสมอว่าถ้าขันกับผิดมันจะมันเกี่ยวโยงกันก็รู้่ในรักแก้กันไปทีรนากันไปที่นาไประหว่างขันกับผิด มันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างทินกันอยู่อย่นี้มันก็รู้แน่คือรูปเวทนาสัญญาสังขาันอย่างรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยในขันอันนี้หในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะวิชัยยังมีทุกขเวทนาทุกเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันอันนั้นเป็นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันอันนี้ไม่มีนะ ทัญญาความจําสังขารความคิดความปุ่งลี้ญานความรับราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้กายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่แต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบท่านก็ทราบที่นี้ไม่ประสานแล้วมันมันอยู่มันมันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปอยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับวิชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะมัาหนักมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่า มันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรอะไรนี่มันอะไรอืมันจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั้นนั่นแหละตอนตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีอะไรอะไรนี่มันมีเท่านี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดเลยขันตั้งห้าหมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกกานนมันหมดปัญหาไปหมดย้นกลับมาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารยินญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆผิดพันละใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามก็ไม่รู้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 เห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไระเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรมันคืออะไรนั่นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่นห็นกันมาแล้วอ้ยได้แล้พระใหม่เข้าใจเปล่าหรอเค่พยายามภาวนานะภาวนาเนี้เรามาบวชไม่มีงานอะไรทําำละเราไม่ทํางานเลยมีเราก็ไม่ทํา เราจะทํางานภาวนางานของใจงานของธรรมงานของกุศลความฉลาดของใจการอดอาหารผู้อดอาหารหลายวันนี่น้อยวันเพียงไรมันก็เคยได้พูดแล้วการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันต์จ้ของอย่าให้ได้พูดเรื่องเหล่านี้แล้วทาไปทําไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังให้ดี เหมือนอย่างพวกขีดมังส ว, วิรัต์นั่นเห็นไหมจเกงกระทั่งถึงตำแหน่งตีโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่พวกมีแต่เรื่องยุ่แย่ก่อควรนะโหทําลายนะพวกนี้นะ่ะนี่ยกตัวอย่างขึ้นท่านอาจารย์อุ่นอําเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเหล่านี้แล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลกก็ น, นา่าเข้ามาในกรุงเทพเลยที่ แล้นั้นผมบวชใหม่ๆที่โลกกนธาพระโลกกนาเขมากรุงเทพคล้ายๆก็ร่ำลือว่าจะเป็นพระราหันเหน็นไหมกูผ้าให้จะเหยียบที่เดินไปอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมามาสมทานผมจะสมทานเต็มที่มะัือไม่ฉันเมื่อฉันตาเัื่กิเลสกลายเป็นบางสาวิตรัสไปแล้วนานก็นานเท่ า, น า, นามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิเตียนไปหมด บรรดาพระชันน้อชันตานนี้เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้งพระกาไปหมดเลยฟังอะท่านพูดเองนะนีไม่ใช่เล่นๆนะไปกรุงเทีพนี้ไปท่านเจ้ากรุงมาท่านกรงมาห้ามให้บินระบาดท่านพูดเองนั่นท่านจะากรงมาห้ามไม่ให้บินระบาดท่าห้ามไม่ท่านจางไปบินบารไปยิงเขาเอาหมกเอาห่อใส่บาตรนี้เป็นอาหารแล้วจะโยนทิ้งต่อหน้าตากลัาเพราะท่านทํำยิงท่านคือพอได้กลิ่นท่านมัน มันเหมนข่าวมันอะไรก็ไม่รู้เนียท่านอาจารย์ปรุงมาไม่ให้บิดกบาทนั่ฟังอยู่นี่เรื่องการอดุดพระตปนมังสายวิรัตน์นี่มันมันเป็นทิศถี่ขึ้นมาอันหนึ่ ง, ง น, นั่นเอนี่อันนี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัศ์ที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นนี่่แล้วนี่ให้ยผ้าหยุดก็หนึ่งก็ให้ยผ้าอยุ่ยยยยยยป่า เป็นประจําตลอดที่เข้าแดนบ้านผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาสรงอนุญาตเพราะผิดนิสัยเข้ามาในบ้านเลยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรอยู่แดนบ้านแดนป่ากเขาญาติไม่มได้ไปปล้นบ้านเหมือนปล้นเมืองเขาเนี่ยพระก็อยู่แบบพระที่นี้่บ้านเข้ามาบ้านกมาแบบพระไม่ได้มาแบบจุนแบบมาแบบผู้ร้านยะพอถ้าเสียหายอะไรบอกจริงไม่ทำตามบอกว่าไม่ได้นัญญบติแล้วให้บิดาบัตลอดที่ยึ ถ้าหยุดเมื่อไม่ขาดมันไม่ได้ตับตบโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับข่ารปฏิทีวันเขาถวายต่อมือ น, นี้ไม่ได้ให้หหหหแล้วถ้าชักหาชักผ้าบางสกูลเนาะอย่างเดียวต่อดชีวิตพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ทรงอนุญาตเขาอยากทานก็ให้เขาทานตามปัญญาสายของเขาอืผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะ่ จนั้นก็มาหาบังตะวิรัตห้ามไม่ฉันเนื้อฉันตาตลอดทีถ้าฉันนั่นเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเขาเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลทำเลยปฏิบัติปฏิบัติดีจะเป็นไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็จึงไปตามเรื่องตาำราใครเท่านั้นเองถ้าเป็นการบรบกวนรุ่งเรืองบุญให้เขารุ่งเรืองบุญไหวเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้ เรื่องมังสาวิรัติเรื่องอเนื้อสิบอย่างที่ไม่ฉันพระองค์ก็ลงบัญญัตไปแล้วเนี่ยแม่เนื้อก็นับว่เนื้อมนุษย์เนี่ยฟังยิ่งพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อเนื้อราชสีเนื้อเสือเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมอีแล้วเนื้ออะไรอีกเนื้อที่สิบเนื้อช้าง นี่เนื้อเหล่านี้ห้ามหมดแล้วทีที่ที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่แล้วก็ยังมีบางอุริษาบางสระคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีกสามอย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าตัดมาเพื่อถวายพระพระได้ยินไม่ควรฉัน แล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ น, นิดนัานมาตรงกับอาวุธนิดนี้เช่นเอาได้แหลงไปทอดตานี่แล้ววันหลังเขาปลานี้มาถวายผเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปไปทอดแหปลาเนี้ยเพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินก็ว่าเขาว่างั้นก็ไม่สันนะหรือเนื่อสดๆร้อนๆเช่นหนึ่งปลาเขาฆามาสดๆร้อนๆเอ้นี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามา ให้ผ่าฉันแต่แค่นี้กรสว ด, ดนอนงสงแต่องค์ไหนสงสัยย่าฉันแนะ่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่งสงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันเป็อุปโลกขึ้นอุตลิทําไมท่ไมมั่งศาวิรัตนแล้วส่วนที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็นไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระ บ, บุรเจ้าบังคับให้ฉันเมื่อฉันป่าไปตุ้องค์นะคือองค์ไหนที่ไม่ชอบ ก, ก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุฉันในเนื้อช น, นิดใด ก็ไม่ฉันดเลยท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยางฉันมันไม่ถูกกฏชาตท่านาก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นาตามประเสธสายปังหาท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามประเสธสายแต่จะมาบางัางคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดแนะ่ตอนนี้อันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระุทเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงทําสังฆเพศให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่สงูงสนองความต้องการของแกนั่นเองตอจนจักรพรรดนี้ก็แตกจากกันของพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นไหล ศา ส, สดาไม่ได้แตกเฮ้ ย, ยพระเทวทัพแตกสังหากศาสด า, เ, สสดาเป็นศาสดาทำเป็นธรรมไม่ได้แตกอีไ่ได้ไดังนั้นเรื่องนั้น ก, ก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำ ร, ราตำลาก็มีน น, นี่มาขึ้นอีกมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัพที่เคยทำลายพระพุทเจ้าที่เคยโ จ, จมตีูระพุทเจ้าณเดือนมาโจมตีสัตนศาสนาพระพุทเจ้าทุกวันนี้นจะเป็นอะไรไปเราก็ทราบดีก็เพลงเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่า ตื่นไปหาอะไรพิเศษที่โศอะไรท้องนี้ไปไหนมันยุ่งจริงมันก็เลยเล่นมามันยุมันแย่วุ่นไปหมไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ๊ยอวดตนคนตัวอุตริไม่เขาา่าขาไม่ทร้าว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วความดีนี้มันไม่ทําง ม, มนุษย์เราอ่ะมันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันขึ้นเอานั้นออกมาระบายระบายถ้าไม่พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ดักยกตนอะ จะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากชกตนมันอยากเหยียบคนอื่นละ่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจพี่นาซิถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยอกอยากมาทำลา้ความอยากมันมันคืออะไรแม่พี่นาซิเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆจริงๆแล้วมันไม่อยากแหลวอยากอะไรยังเรามาอยากมาว่าต่มันต่างพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไ ร, รอยู่ อยากมาอยู่หรืออยากเมาสตาก็อยู่นี่อยู่กับสาวนันต์แล้วอยากขนาดนอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้มันจะอยากไหมนั่นฟังไปอยากถึงนิพพานจะถึงนิพพานเมื่อทาจิตให้มันอยากทาจิตให้อยากได้จิตรบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากหรอมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงพระนิพพานทัดจิตในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากพระ น, นิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากแต่ความหิวโหวยทางอ้อมมันอยากหิวโหวยทางทางโลกนะสำคัญทางกิเลสนต่มันต หิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมผลคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหรคนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักทวงเอาบุญกุศลได้มากมายกว่ากองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเนย่นบันยน่นคืนเข้ามาเพราะความอยากที่มีกําลังมากนั่นนั้นผิดกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากสป็นกิเลสนี้อยากเท่าไรมันยิ่งจมลงไปตัลงไ ป, งไปแล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายพระบุเลยอยู่นครอยู่นี่กําแพงเพชร น, นี้เคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอจารย์แล้ว เราไปพูดดูฟังฟังมันแปลกๆดู่นะก็อยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดนู่นยังยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันบังสารวิทยาเดือดซ้ไปนะถ้าองค์นี้นะ่ะทำไมาจึงไปทําลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นผมได้ยินมาอย่างนี้เ ข, เขาเชียนี่มามาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกําแพงเพชร น, นั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้อะ่ะเวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสักแปดสิบพอดีเดินเพราะอายุเกินผมเจ็ดปี ผมจำได้พันษาผมเกินท่านเจ็ดปีเนียอายุ ข, ขอ ง, ของเอเกินผมเจ็ดปีนี่จำได้เรอยู่กแผงเกินว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันเมานตาว่างั้นเรียน เ, เ, เอชาพาฉันมังสาเยเวลเวลานี้พระนี้ฉันมังสายเวลานะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราพาฉันมังสายเวงสิเอ็งไปจังอยูน่นี่ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสาวลขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกแปขึ้นมาอย่างนี้ฟังสิทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อาย น่าผากคนบ้างเหรอพระแม่กุญจารย์พาฉันมังสาเวลาที่ไหนเฮ้ยพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจจัมาสาวาณมณ์กับผมนี่องค์หนึ่แล้วต้นหมาเขาถามมาต้นหม้ที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาครับผมผมไม่ตอบเลยผมขี ด, ดทิ้งจนมาจนเป็นแ บ, บนั้นไม่เป็นที่อยู่มงคลอะไรเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังนะนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละเลยนีม่มาถามผมถึงเรื่องมังสัเวลาเนี่ย ดูสมันเป็นอุตตรีไปได้นะแปลกดี่นะคือองนี้ละโยวในฉันมางสายเวลาอยู่ที่ก็เป็นเพียงอยู่วัดอะไรตรงนึงคือวัดธรรอะไรนี่แหละเเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพ่แม่ครูอาจารย์พาบางชันบงสนยเวลาวางนั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการจะทำตัวให้มันให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันเด่นง่ายนะอ่า นั่นละพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยนะเนาะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระงนั้นให้ผมฟังผมก็รู้ที่ชัดเจนเลยเดีวยวอ๋อเป็นอย่างนี้เถอมีี่ละท่งเอาสิเรื่องบังจัเวลาถ้ามันได้ออกจางไหนแล้วมันจะมันจะทำลายของมันไปเรื่อยๆอย่างน้น่าทุเรกจริงๆนะเรื่องเทวทัตมันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัตหนึ่เรื่องมางจังเวลาเนี่ยเป็น่างไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยโลกกับวิญญามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไป พระเทวทัตเป็นสังกัดเพศกันเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาโลบกับพุทธศาสนาของของพุทธเจ้าอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็นั้นไม่มีหรือเอาของวิเษวิโสกันมาอวดบ้างเป็นไรบ้างเราอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก่อนนั่นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรแต่ไฟมันกินหญ้ามันเห็นกินเนื้อกินมันวิเศษโสอะไรเอามาอวดทําไมของอย่างนี้ไฟไฟมันไม่อวด มันไม่กระสะกดเถือนอันนี้มา ก, กับสะกดเถือนอวดพระโคตรเถือนไปที่ไหนกับสะกดเถือนที่นั่นมันมิเศษแล้วหรือพี่นาดีควาไปที่ไหนกับสะกดเถือนมันมันไม่เศษแล้วหรือนี่เป็นทางทำของผู้เฒ่าเลยไปที่ไหนมีความสมัครสมานไปที่ไหนให้คนคนเกิดความเชือนนเ่อความรักษ า, าไปที่ไปที่ไหนเขาได้เห็นได้เขาได้กราบไหว้บูชาด้วยความซึ้งใจคําพูดออะไรมีเหตุมีผลจับใจไพเราะนั่นต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวยุ่ยแย่ขอขวัญทำลายถนนทําลายทีนี้เป็นอาจเป็นทำผู้เจ้านะเออมันไม่ใช่ทำ เหมือนเทวทัตสำคัญก็คือว่าเรื่องจากจกตัวนั้นแหละไอ้เรื่องสําคัญเลยไอ้จิเรตมันไม่ยอมตัวมันมันผิดเท่าไรมันก็ไม่ยอมเอลยเราเห็นไหมในเรือนจําไปถามมันทียไล่หน่ะมันจะบอกว่ามันยอมรับว่ามันดได้ถูกเรียกขอต้องหาว่ า, า, าอ่านฟังไหมแล้วปุริมาจึงมาผิดกุ๊กติดยาแล้วก็หาว่าผมอย่างนี้ยผมรักเขาขโมยเขาอย่างนั้นนี่นัก แล้วความจริงคุณนะทำจริงๆแล้วั้งจริ ง, ร ง, ลรงๆละ่ะครับฟังผิดเขาหาว่ามันยอมเมื่อไหร่วิริยะไม่ยอมโศกผิดคิดให้ดีนะให้เลือกเป็นให้ดีนะแล้วก็ก็ยิ่งได้ผ่านทางปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วมันไม่น่าจะสงสัยเรื่ อ, องแบบนี้นะหนึ่งเป็นปฏิบัติทางที่แนบเนียนที่สุดก็คือปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มันที่ดําเนินมาทุกวันนี้ ผีปัญญาคนเห็นชัๆดๆอยู่ในหัวใจของท่านสแสดงมาตั้งแต่ความจริงล้วนๆวนๆออกมาอื <Ừ. S 1> เป็นปฏิบัติทาที่ไว้วางใจได้เลยท่านดำเนินท่านมันมีคำว่าแข็งแกรงอะไรอย่างเงี้ยอยากดีอยากเด่นอยากดังไม่มีพ่อแม่กุญแจมั่นนะไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะท่านทำตรงไหนๆ ม, มีหลักธรรมหบัวินัยยืนยันตลอดไปเลยตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนเรื่อง แตพราะอย่างยิ่งคือกิตแต่ภาวนาใครจะสอนได้ถูกต้องมั่นยํายิ่งกว่าพระแม่กุญจาร์มัน่นวะท่านสอนด้วยเพราะเพราะท่านได้รู้ได้เห็นด้วยนี่ได้ผลมาเป็นที่พอใจท่านสอนด้วยความเห็นผลเป็นที่พอใจมาแล้วเหตุต้องท่านจริงสมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลจะสมบูรณ์ไม่ได้นะท่านได้ผลดังสมบูรณ์มาแล้วที่มาสอนไม่มีอะไรผิดนะท่านก็ไม่สอนแบบแข็งๆอีกเหมือนกันนะอือสอนกิตแต่ภาวนาก็อีกไม่ได้มีคําว่าแข็งๆอะไร เดียจะเป็นพิเศษบ้างอะไรไม่มีสอนเป็่เป็นก็กงกับกรรมฐานสี่สิบันแหละเห็นแม้กรรมฐานสี่สิบผมลืมเสียมีอะไรต่ออะไรบ้างกรรมฐานสี่สิบก็มีอ น, นุตตรสี่สิบเป็นต้นนั่นหงสเกศาลุมานะขา ต, าตาตะโจไปตลอดอาการสันสองอ้าวี่นีไปอ น, นุตตสี่สิบธาตุอวัยกรรมฐานสี่เนี่ยลืม ต้องไปดูใ น, นแบบมันดืมอืมกรรมฐานสี่สิบนี่เป็นอุบายวิธีการของการภาวนาแล้วแต่ใครจะชอบนี้จะดีใส่แข้วใครจะชอบตรงไหนอ้าวยึดเอามาปฏิบัติเนี่มีภาคสมถะนี่พีจาาเพื่อจิตสงบความสงบกล้าทางด้านสัญญาเป็นนิบาสนาจากนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปละเรื่องอืการภาวนาภ้าเบื้องต้นนี้ในกรรมฐานสี่สิบเป็นของต้องหันไปยึดเอาหลักอะไรใดก็เอาแต่พอเป็น ก้าวไปถึงขั้นปัญญาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปตัวเองไปเรื่อยๆไปเล ย, เล อ, เลยอันนี้หากรู้เองในผู้ปฏิบัติแหละทําอะไรถ้าทําทนอกแบบนอกจะทำผีไปไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าใครอ่ะมันอดสงสัยไม่ได้เราคนเรานะให้จับอ น, นุี้ตึดมันี่ไว้ดีนะยาไปทำสิบสี่สิบห้าออกจากนี่ไปก็เหมือนกันยาเอาผมไปขายนะผมไม่ได้ยี่สิบที่สูงเลยพอจะเอาเรื่องผมไปขายแล้วเอาอยู่กับอาจารย์มหาบัวมานี่เรื่อยไปหาต้มหาสูงชาวบ้านเขานะ วอวดดีอวดดีว่าตัววิเศษที่โสนี่อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนะนี่กำลังออกแสงแคลว้วแล้วนะเดี๋ยวนี้อ่ะใครจะมาให้ทดลองก็มาสิคนันปั้นเดี๋ยวนี้กําลังคนันปั้นมันจะมีนะพลาดอยู่ในวงและที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันนะเพระมันเคยมีมาแล้วนี่เรื่องกิเลสมันจะต้องเป็นขึ้นมนแน่แหละอาล่าแปลว่อยู่กับครูบาอาจารย์พอเป็นชื่อเป็นนามแล้วอยาเด่นดักดังอื่าเรานี่แหละแคลวค้าวที่สุดนะ่ะเป็นลูกศิษย์เริ่มมาตั้งแต่ลูกศิษย์ต้องตื่นตั้ น, นอ่ะ นีแล้วจากนั้นก็นมาไม่ได้อะไรเลยก็มาคว้าลูกมเป็นลูกศิลจามหาบัวนะนะแล้วดังน่ะนะจามหาบวนะัวฮะดังอนะ่งะเนี่ยมันหาต้มหาตุนหาหลอกชาวบ้านเขาไปอย่างนั้นนั่นนะมันไม่รู้นี่ตัวเด่นตัวได้เขานับถือเขาตั้งความตนใจขณะเดียวก็เอาอเจ็บตกทันก็เอานะมันไม่ได้เห็นความดีในเจ้ของมันเด่นอยู่ใน ใ, นใจนี้ตั้งเลย มันจึงไปยุ่งกับสิ่งภายนอกอย่างนั้นอันนั้นมันเรื่องภายนอกนี่เอาแค่ควให้มันพอสิถ้ามันพอแล้วใครนับถือไหมถือมันก็เรื่องของเขาตัมมิก็อยู่ปากเขานุ่นยินท้าก็อยู่ปากเขาอู่ใจเขานุ่นดีของเขาชั่วของเขาต่างหากเราเป็นเพียงว่าได้ยินสัมผัสพับเมื่อสัมผัสพับเราไม่หลงเราก็เราก็ไม่เป็นบ้าไปตามลมปากของเขาเออจะเป็นอะไรไปเอสัทะโมสนันตโน ความสรรเสริญนิมทาเป็นของเก่าเคยมีมาดั้งเดิมแล้วเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้เขาตื่นอะไรหาเจ้าของให้มันพอสิอย่าไปหาเอาสิ่งอื่นเอาของคนอื่นเของเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มเย<ะ>เขาสรรเสริญนั่นหาเอามาจากภายนอกเนี่ยเขายกยอเขาสรรเสริญเขาเลื่อมใสแล้วถึงจะภูมิใจอะไรอย่างนั้นคนหิวจะตายอย่างนั้นคนไม่มีธรรมใน ห, หัวใจหา เก็บตกข้างนอกข้างนอกหน่ออะไรตกที่ไหนเก็บเอาเก็บเอาไม่ทราบว่า ด, ดีว่าชั่วว่าดลงกิเลสให้มันพังสลายไปตัวมันหยาบหยาบให้มันพังพลายไปแล้วอะไรจะมาหยากวะนีม่มันจะเป็นได้แน่ๆนะนี่มันออกไปอย่างนี้แหละอยากเห็นที่อบเปจ็นพระแม่กุญแจในี่าไปว่าพระแม่กุญแจขันมังสวิรัตฟังดินี่มันเห็นอย่างนี้เจ้าของก็ชอบแล้วไปทําแล้วเอาพระแม่กุญแจมาเป็นโล่บางหน้าเพื่ออะไรอีกฟังซิเราแปลไม่ออกนะเรามันโง่เนี่ย เราถึงทุเล็กพอได้อ่าจจะหมายฉบับนี้แล้วเราเลยปิดทิ้งไม่ตอบตัวหมาเราตอนนี้ไม่ตอ บ, ตอบพอตอบแล้วมันไม่ทนที่จะฟัดกันนะ่ะตอบไปทําไมไม่เกิดประโยชน์ะเราต้องเล็งถึงประโยชน์แล้วไม่เล็งถึงอะไรมากกว่าประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ตอบไปถ้ามันเขียนมาทำไมถ้าว่าเก่งก็เอามาที่มามถึงกันที่เป็นมันอย่างไรว่ากันมันจะเขียนมาทำไมเราจึงไม่ตอบเขียนไว้มีอะไร ควรนี่ตอบก็ตอบคนที่ตบด้วยปากก็ตอบไม่ควรตอบก็ไม่ตอบเหมือนกั น, กนด้วยปากก็ดีเพราะเราไม่เคยหวังความแพ้ของญาณในหัวใจแม้นิดถึงเราไม่เคยมีนอกจากหนุดจากผลดังนั้นถ้าควรตอบจากเบามากน้อยเราก็ว่าประจำเรื่องควรเผ็ดก็เผ็ดควรร้อนก็ร้อนไม่ควรก็เงียบไปเลยไม่ได้เกียดายอะไรนี่เรื่องของโลกควรไม่ควรรู้กับหัวใจของเราเองมิตร ว, วิจารมาภาภาหน้าก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไร เขออกแบบก็เอาครูบาอาจารย์ไปอวดเพื่อความหยิบความดีจนเจ้าของความเร็วเจ้าของมันเลยว่านี่มันจะเป็นตรงนี้แน่แน่แล้วจะไปกวนชาวบ้านเขาอีกไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันออกแบบนี้แล้วมันจะกวนเขาล่ะกวนเขายุ่งเรื่องเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้อืมกวนนั้นกวนนี่แหละนะฮะะกวนบ้านกวนเมืองมันจะเป็นมรดกมาตามเหล่างนมันกําลังเริ่มมันแซงหน้าแซงหลังเข้าไป เพราะแม่คุย จ, จ, จังนะก็จีบรวมเพิบมลงไปในกุมเขียนในประวัติท่านมีไฟน่ะปรากฏก้วยผาเนินทั้งหลายยิ่งแซงหน้าแซงหลังปรับปรับปรับปรับกผู้ที่เดินตามหลังก็มีสียงนักนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ะะห่ือพราจากนั้นนักพิจารณาก็ได้ความขึ้นมาเลยผู้ที่เดินแซงก็คืออวดดิบอวดดีเป็นกวครูครูง่ายๆผู้ที่เดินตามหลังคือปฏิบัติตามคูบาการ แต่ไม่มากนะว่าไอ้แสงหน้าแสงหลังยิ่มันมากแหมลุกลี้ลุกลนทันว่ะขึ้นในนิมิตท้งด้นที่แสดงพอนาพกิดรวมเพิ่ลงไปไมันแสดงท่านนั่นหละที่ว่าหลวง ป, ป, ป, ปู่มัๆๆนะ่นหงพ่แม่อารมั่นแข็งตึงหาเรื่องยกให้นะเรื่องความมุ่งทันแปลกสำคัญยิ่มากเียพอจิดรวมเพิบลงไปนี้มันปากรัง ก็ทํานายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดี๋ยวบรรดาลูกศิษย์ของท่านแฟงหน้าท่านอ่ะจะมียริงท่านอ่ะเป็นตอนที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหั้อกท่านอันนี้ไม้เหมือนไม้หีบผาขึ้นเรามัดขึ้มันหนีไปอกท่านท่านก็บอกอย่าตั้งชื่อแล้วแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปพูดท่านนั่นท่านนั่นอ่ะ ท่นนั่งพอหนาพอจีบรวมขึ้นไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นวางกันเลยนะออกชื่ออะไรเอาไม้เหมือนกับไม้หินพาขึ้นเนี่ไม้มขีสโหัวอกเรานีโโ้นี่ <c oughs> นทําไมยังเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านเหล่านี้ก็มาหาเราโดยเจตนาบางดีแท่ทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเราอ๋อมันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขา<อ>จะเขาจะสร้างเรียน สององค์นั่นเนี่ยเอากับผู้ว่านมากมาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปสร้างโรเรียนพระสองค์นี้เมื่อท่านพูดอะไรจะสำเร็จไปหมดว่างนั้นท่านบอกี่อะไรบุญเงินเขาช่วยมาสร้างเรงเรียนพระสองค์ท่านถึงอ๋ออันนี้เองเอามเอานี่เอาหีบมาขีดอกเรานนเนี่ยอยงั้นแล้ว ไม่กี่วันเลยเรแสดงมาเห็นเ่ยนะองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆันหวะเนี่ยเดกันรูไปก่อนรูก่อนหน้าก่อนค็มรู้แปตกนี้ลงปู่มั่นนี่เกมากเร่องพวกประวัิาตรวิชาลเจตปริยานี่สาคัญมากหลวปู่มั่นรู้ประเด็นจริงคือรู้จิตใจคนอื่นนันรู้สึกว่าทัานคล่องมากนะ ผ ม, ผ ม, จ, ม, มจริงๆเล่าเหมาะเหมาะจิงเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนนะ่ะคือคือไม่ใช่ดื้ออลไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงจะกราบพระบิดบีนะกราบพระตั้งกจักรีฐานว่าเราอยากจะทดลอง <c oughs> ท่านจานมั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรอถ้าพระท่านรู้จักจริงจิตเราจริงแล้วเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอภิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ะถ้าท่านรู้จริงก็ พอไปนี้ให้ท่านให้ท่านใส่เลยเปียงเลยนะฮะตรงกับจิต ท, ที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาด น, นั้นนะผมมันดือ้นอขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ร่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันนี่เมื่อเราทดลองนั้นเราก็ไปไปเท่า น, นี้ท่านยีนน่งกำลังเยิ่งผ่านย็บผ้าตะชุนนี้กูเจ๋งนนยังย็บผ้าก็มีพระ เย็ยบอยูย่ได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงดูโผล่กูตายเนี่ยแล้วคนเราวัวลังหวานดีวะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาที่แล้วครับมองตาที่เแล้วก็เป็นนั่งกราบแล้วมันนั่งท่านดูตาท่านแปลกแล้วอ๋อเอาแล้วโอ้โ ส, สดร้อนเร็วจริงนะนี่ครับตอนนั้นแล้วขอ ออไอ้นั่นท่านกลังเย็บะไปเนะขอผ้าขึ้นมาจะมาเย็บให้ท่านะพอแล้วมั้งนี้เลยปังมื อ, อ, อ, อ <c oughs> ทนเดียวมันถอนมือปุ๊บอย่ามายุง่งมันเอาละอันเอาท่านหลับอยู่น้านนี้หละมันมันเห็นกันจังเนี่ยไมเห็นท่านหลับออย่ามายุง่งมันเดเย็บให้ท่า น, นไปนหนึ่งสิสักเดียวขึน้นนะคือขายมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งล้าน แต่ม al ันไม่ชัดเราต้องการมันชัดทั้งหลายที่พระท่านปฏิบัติกันทั้งหลายที่ขึ้นเหนือเหนืทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันรู้จิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิยาบทหนึ่งหนึ่งมันรุ่งเหยองวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอลไรจดจ่อดูเจ้าของ ว่างังินนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรดูชั่วประการอะไรนี่อยให้คนอื่นเข้ามารู้จิตเจ้าขอ ง, น, น, ง น, นั่นฟังเสียงนะมันกรรมฐ า, านขี้หมาอะไรกันโอ้โ ห, โโหยหังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมอกไหมอยู่ตรงไหนตรง ไ, น ง, <S <S งไหนบ้างอืหลุมไหนบ้างนรก ไม่สนใจดูนี่อยากให้แต่อยากให้คนอื่นมันดูจิตเจของรู้จิตเจาของมันบ้าก็มาสานบ้าไงนี่โอ้โหที่ชัดไหมล่ะฟังดิมันเข้ากันได้นะครับคําที่เราอยาก <c oughs> จ, จะตั้งใจก็ร้อยเปอร์เซ็นมันมีสงแต่พอแล้วเรายอมเลยนะพอแล้วเรายอมเลยยอมในจิตตัวเดียวนั้นแหะยอมในเดียวนั้นเลยนะโอยอมเลยยอมก็มมมเราไม่ได้กรธหรืเกลียดท่นคว้าหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตัดตวงเอาสิ่งที่เราต้องการ เป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ ะ, สะแสดงว่ารู้ไหมที่นี่ชัดหรือยังนั่นก็หมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะแทนที่จะโกจะจะคิดยิหยุดกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมเลยยอมเล ย, ยอมเล ย, ยมลยันย่อในใจแล้วท่านก็อ่อนล ง, อ, อ, นลงอ่อนลงนะมันพูดแล้วอ่อนลงมาท่านก็รู้นะ ใ, ในขนาะนั้นมันก็ดูเราอยู่นี่จังหวะไหจังว่ า, งง จ, วาจะไดิว่าไปไหนก็อยูก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งๆั้งที่พูดอยู่เรายอมท่านก็รู้ คิลท่างกพูดธรรมดาไปเอะท่านใส่เียงเบียง่นั้นเองแล้วก็พูดธรรมดาพูดธรรมดาก็ไม่เห็นเหนื่อยนั่นเปนม่ตัแต่ันแม่ไหมพูดท่านนี้พูดเรมากมาแลพูดมากต่อมากแล้วหนึ่เตือนพระไัวหนึ่งก็เตือนฝึกเตือนพูดฝึพูแล้วเรื่องเห่นี้เป็นเรื่องที่เจ้าหายเรื่องที่ผมพูดที่ครูบาอาจารย์ไปจหน่ายขายกินโอ้หน้าทุเลศนะ้าจากกับเจ้าของไปเลย ไม่ต้องการเริ่มใส่ไม่เริ่มไส่แล้วไม่จะไปสนใจกับเรื่องภัยโลกนั่นไอ้ดูเจ้าของนมันเป็นยังไงไงวัดลงที่ตรงนี้อันนั้นมันเรื่องนอกนอกเรื่องรมรวแล่งแหล่งไปหาคว้าหาทำไมไอ้คนนั้นเขาเริ่อมใส่เขาลบนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของเกเรมันอยากอะไรถ้าเรื่องของธรรมล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้ของอยากพ้นทุกข์ฟัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้อง อยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นชิเลอัน้เขาเคารพนับถืออยากกล่อมอยากลืออย่างนี้ดดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้ น, นอยากพ้นทุกข์นเรองของเดินทา ง, งกลงมๆันไปวัดไหนวันไหนมันจะไม่มีทางกลมเลยทุ เ, ออเรศนะคง็ดีตนะมันจะค่อยกลืนมันไปกลืนไป ความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของที่เด็ดอยู่แล้วคืนวัยคืนเอาคืนเราไม่ว่าเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินมีกลุ่หน้าสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีวาทิษแพงเปลี่ยนแปลงห ล, ง ล, ง ล, งลายซ้ำทงังไหน หลายชั้นหลายข่มไม่งั้นไม่ทันมันนะบางทีทํำแบบนี้มันมันชินใช่บ้างมันก้ไปชินแล้วมันมันก็ขี้เหียดแน่มีอยู่เรื่อยๆคนเขากอแล้วนี้ก็อาศัยเทปผมนั่งอยู่้างในใครมาก็เอาเทปมาเปิดให้เขาเปิดฟังมันก็เหมือนเราฟังเหมือนมาฟังกับต่อปากต่อคําเราผมอยู่นี่พุทธิผมก็ฟังพอโอกาสดีๆวันไหนวันไหนผมก็ฟังบางทีนั่งก็เปิดเทป นั่งพอน้าก็เปิดเทสฟังเพราะเราไม่ถือว่าเป็นเทศของเราถือเป็นทําทั้งนั้นเทสก็ดีเหมือนกันเนวลาฟังเข้มข้นดีบางกันเหมือนกับว่าไปเฉียดเข้ามาเขียดนั้นเขียดนี่นนนเข้ามาที่เด็ดมันก็หดตัวสิแต่มันมีที่เด็ดู่สิมันหดตัวของ ม, มันเพราะมันกลัวถูกหัวมัน ไปนู่นไปนี่เด็ดไปไปทีมาไม่กลัวถูกเงาผากมันมันกระหลบไปที่เหลือมันลบอละไรจีิงนะเริ่มกันแล้วนะ